อ่พ่อชงกันล้างเห็นเหมือนกันทุกวันเลยครับหลวงพ่อตอนนี้เนี่ยเริ่มรู้สึ ก, กวางใจในความเป็นความยิน้ายที่จะไม่เข้าไปแทรกแซง ก, กับมันความยินดีเนี่ยก็เริ่มเห็นทุกมันมากขึ้นตรงนี้เนี่ยครับสภาวะที่แบบว่าอารมณ์ที่มันไม่ดีต่างๆ ต, งๆตรงนี้ของผมมันรู้สึกว่าเริ่มเบาลงไปวันนั้นที่ฟังพระอาจารย์ตาณทเทศนะครับ มันจะมีอาการอยู่ช่วงหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะจนรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะทนไม่ได้แต่ก็คือพยายามที่จะฝืนนะใช้ขันติดูมันมผมปรากฏว่าตรงตรงนั้นมันต้อค่อยๆลงไปอืครับแล้วอาการที่เรียกว่าเราเข้าไปแทรกแสงจิตตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างดีขึ้นครับผมพ่อก็ดีเหรอผมพ่อครับตัวโรพาโทสับเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นตัวที่เรียกว่ามันมีอาการคล้ายๆกันหมด ตัวอะไรนะตัวโลภะกับโทสะอย่างเช่นตัวเรามีความยินดีมีราคะเกิดขึ้นเนี้ยผมจะสังเกตว่าสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นตรงใกล้ๆคอตรงเนี้ยที่ผมจะเรียนกลับเรียนรายงานหลวงพ่ออยู่เป็นประจำแล้วพอเราทนดูไม่สักพักหนึ่งทนดูนะครับมันก็จะค่อยๆแผ่วหายไปแล้วเวลาเราเกิดมีความกังวลมีความขัดห้องใจมันก็จะมีหลงตรงเนี้ยเข้ามาจุกอยู่ตรงนี้อยู่เป็นประจำแต่ถ้าเราเริ่มเข้าไปแทรกแซงเขาเนี่ย มันก็จะยิ่งเหมือนจะอึดอัดมากขึ้นนะครับแต่พอเราเริ่มเผอแบบถ้าตั้งใจเผออีกก็จะยิ่งอึดอัดอีกแต่ถ้าเผอแบบโดยธรรมชาติโดยตามดูจิตตรงนั้นนะครับผมมีวามรู้สึกว่าจิตผมเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นก็ <c oughs> ดูไปนะตรงไหนก็ได้ท <c oughs> ี่จริงแล้วจิตไม่ได้มีที่ตั้งอะไรบางคนก็รู้สึกอยู่กลางอกส่วนใหญ่จะรู้สึกอยู่กลางอกบางคนก็สูงขึ้นมาบางคนไปอยู่ข้างหน้านะครับ <c oughs> อะไรก็ได้ไม่มีความหมายอะไร ตัวสำคัญก็คือว่าเมื่อสภาวะใดๆเกิดขึ้นเมื่อมีสติรู้ว่าปัญญาก็เห็นลักษณะของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เราก็ดับไปก็ดีแล<ะ>้วหลวงพ่อครับอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจิตมันจะเข้าไปจับลมหายใจได้ถี่ขึ้นขณะมไม่ว่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์จะนั่งประชุมหรือว่าเตลอไ ป, ไป แ, ลแล้วแต่ขณะนี้หลงไปแล้วเนอะครับรู้สึกว่ามัน จะเข้าไปจับลมหายใจได้มากขึ้นแล้วขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยบางครั้งจิตก็มาจับอยู่ตรงนี้บางครั้งจิตก็มาจับอยู่ตรงตาบางทีก็มาจับตรงช่องลมหายใจบางทีก็ซึ่งบางทีก็หลงอีกแล้วหลงอีกแล้วนะเพราะงั้นไม่ต้องละไม่ต้องคุนคุยแล้วหลงคือจิตนั่นแ่ะมันไม่ไายงานแล้วภาพหลวงพ่อมันผันแปรไปเรื่อยๆนะครับก็แค่นั้นเองนะแค่ตรงที่เห็นว่า มันเกิดแล้วก็ดับบังคับมันไม่ได้นั่นะก็เห็นแค่นั้นพอละส่วนอาการของมันนะวิจิตทิสดานจิตมีอชื่อหนึ่งว่าวิจิตนะมันมีความวิจิตหมายถึงว่ามันปรุงแต่งได้มากมายพ่ลึกพิลั่นพิสดานนะไม่มีที่สิ้นสุดงั้นเราไม่ต้องไปใส่ใจในตัวอาการของมันอาการของมันเช่นมันจะไปอยู่ตรงนั้นจะไปอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องค้นคว้ามันนะ แค่เห็นว่าสภาวะใดเกิดขึ้นสภาวะนั้นก็ดับไปเห็นเท่านี้พอลนะงั้นเราจะจะหลงกลมันเราจะไปศึกษารายละเอียดของมันแต่ละสภาวะแต่ละอาการอะไรเงี้ยอาการจะแปลกแปกมีเรื่อยๆนะเดี๋ยวเป็นอย่างง้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นะเออไม่เหมือนกันนะมันถึงวิ จ, จิตเนี่ยมันมันปรุงแต่งได้มากมายนะออ เพราะว่าคิดมากก็เบื่อมากสงสัยมากได้นะอะไรนะสงสัยอะไรนะอา้าวทำไมไม่มีละ่ะมีสินิพพานเรามีจริงคนนไม่มีแต่นิพพานมีของเรากลับข้างกันเราคิดว่าคนมีจริงๆนิพพานไม่มีเข้าไปอีกแล้วเมื่อไรจิตหมดตัญหานะนิพพานก็แจ้งขึ้นมาปรากฏขึ้นมา นิพพานไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อจิตหมดตัณหา น, านิพพานมีอยู่แล้วมีนิพานไม่ได้เกิดขึ้นนิพพานก็เลยไม่ได้ดับไปนิพพานมีอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นเพราะจิตไม่มีคุณภาพจิตมัวแต่หลงกับความปรุงแต่งก็เลยไม่เห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่ง mm hmm. ต้องภาวนานานจะเห็นดีขึ้นเยอะเลยบ้าแต่พ้าอยากคุยสัมมานะ่ะ ม, ม, มันเริ่มมีมันเริ่มมีอาการแะว่าบางคนนั้นภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งแต่ชอบคุยธรรมะนะพอคุยแล้วจะตะเวนเบรกไม่อยู่สมัยหลวงพ่อชาท่านภาวนาใหม่ๆไปอยู่กับหลวงปู่มั่นสามวันเสร็จแล้วออกมาอยู่กับหลวงปู่กินารีพอตอนจะออกจากหลวงปู่กินารีหลวงปู่กินารีสั่งไว้บอกว่าอะไรๆก็พอสมควรแล้วแต่ว่าห้ามเทศนะ ถาเทศท่านก็ไม่เข้าใจทําไมครูบาอาจารย์ไม่ให้เทศตอนนั้นพอออกมาจากหลวงปู่กินรีพักหนึ่งนะใจมันอยากเทศทั้งวันคือเลยเจอใครก็จะสอนเข้าไปด้วยท่านก็เลยครูบาอาจารย์เคยเตือนเนีลยโอ้เลยรู้ทันนี่กิเลสนะป้ารู้สึกไหมมันเริ่มฟุ้งในธรรมะต้องระวังนะมันจะฟุ้งในธรรมะแ่ะวเออมันอยากพูดมันฟุ้งในธรรมะแนละ้ อ, อไม่หายแต่ว่าอย่าไปตามใจมัน เดี๋ยวเสียคนแต่ไปเวลาไปเจอใครก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆนะจนคนก็เบื่ออ้าวคุณนอนทะลูกศิษย์อาจารย์อรนุชนั่นแหละเป็นไงก็บางทีก็ยังยังมีเพลงอยู่บ้างค่ะพ่อรู้สึกไหมวันนี้ใจมันสว่างคะใจมันสว่างขึ้นมารู้สึกไหมอันนี้ค่ะทราบแต่สว่างอย่างนี้ไม่ดีนะ สึกไหมสว่างทื่อๆมันสว่างแบบไม่ไม่ค่อยจะรู้อะไรเออเนี่ยสว่างทื่อเบื่อทื่อๆนะมันไม่ค่อยจะรู้อะไรมันเหมือนกับไปแช่เนี่ยเออไปแช่ไว้นะแต่มันสว่างเห็นไหมเอาสว่างมาเป็นเครื่องวัดไม่ได้นะค่ะสว่างแล้วก็จิตไปหลงติดแช่อยู่ก็ได้ก็ก็ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆนะเป็นกลางกับมันอย่าไปหลงยินดีกับมันแล้วก็ให้จิตใจมันกระปรี้กระเป๋ากว่านี้หน่อยค่ะ คิดถึงธรรมะนิดหน่อยได้ถ้าจะรู้ลูกเดียวเลยแล้วมันซึมไปโอ้ฉะน้นให้พิจารณานิดนิดหน่อยหน่อยคล้ายๆว่าบางทีดูนานไปแล้วจิตมันไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วมันคงเป็นนอนซึมอยู่มันก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าบางทีดูไปมากๆมันจะมีอาการแบบนี้เป็นบางช่วงอถ้าอย่างนั้นก็ทําสมาธิไปเลยดีกว่าถ้าทําสมาธิจะดีกว่าดีกว่าบางทีหนูอยู่บ้านถ้ามีอาการแบบนี้หนูก็เปิดเทปหลวงพ่อฟัง อฟังเทปหลวงพ่อมันก็เป็นสมถะแขนงหนึ่งรู้สึกว่าพอฟังเทปไปมันจิตมันก็เริ่มเอมันก็เริ่มเคลื่อนไหวขึ้นมาใช่จิตมันไปติดเฉยแล้วส่งต่อส่งต่อค่ะวันนี้หนูก็ดูนิ่งนิ่งไปเยอะค่ะรู้สึกไหมวันนี้ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคดูออกไหมจิตใจมันกระจัดกระจายออกข้างนอกค่ะก็ให้รู้ทันมันนะ ค่ะอย่าไปฝืนไม่ฝืนเลยมั น, นไม่ฝืนค่ะวันนี้ไม่บังคับแล้วค่ะไม่บองครับแต่ว่ารู้ทันค่ะรู้ทันว่าไม่ตั้งมั่นค่ะอันนี้สมาธิมันหย่อนไปนิดนึงแต่มันจเจริญสติล้าหน้าไป <c oughs> จเจริญปัญญาลําหน้าไปตอนตอนฟัง น้องชายพูดหนูก็เบาๆพอเริ่มเหน่งเริ่มเกรงแล้เดี๋ยวมาถึงเราแน่ๆอ๋อแน่เลยแล้วเป็นไงก็ก็ก็เหมือนกับต้องนับหนึ่งตลอดเวลาน่นะนับหนึ่งนาีแล้วอย่านับสองนับสามเราเรียนจนเข้าถึงความเป็นหนึ่งนะจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งเข้าถึงความเป็นหนึ่งส่วนสองสามสี่อะไรความเป็นคู่ค่ นะความเป็นคู่คู่นะของปลอมเช่นสุกกระทุกดีกับชั่วหยาบกรละเอียดข้างในกับข้างนอกนี่ของปลอมความเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยไม่มีข้างนอกข้างในไม่ได้หยาบไม่ได้ละเอียดอะไรรู้สึกไปนับหนึ่งไหมการนับหนึ่งก็คือการกลับมารู้กายรู้ใจพื้นฐานที่สุดเลยพื้นฐานที่สุดดีที่สุดนะ เหมือนเหมือนต้องตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นนะรู้สึกเออทาเท่านั้น่อนกลับมานับหนึ่งตลอดเวลาถูกต้องเวลาเราปฏิบัตินะจนถึงขั้นละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนก็ตามเถอะทําทําไปช่วงหนึ่งบางีสับสนขึ้นมางงแล้วทําไม่ถูกแล้วกลับมาเริ่มต้นดูกายดูใจใหม่คเดี๋ยวมันมีทางออกอย่างอย่างนี้ถูกใช่ัหมคะถูกถูกอย่างเหมือนเราเดินไปเนี่ยเดินไปแล้วไปชนกําแพงแล้ะ กลับมาตั้งต้นเดินใหม่ทิศนี้เดินไม่ได้ก็เดินไปอีกทิศหนึ่งนะเดี๋ยวไปชนอีกละยังก็กลับมาตั้งต้นใหม่มีแต่เริ่มต้นใหม่ตลอดนะตั้งแต่ต้นจนจบของการปฏิบัติมีแต่นับหนึ่งนะไม่มีนับสองหรอกถ้านับสองนับสามแล้วก็คนนะุ้งซ่านละนับหนึ่งอะ่ะดีแล้ว <im it> ว่าไงวีนาสนี่เปลี่ยนชื่อเขาบ้างป่ะเปลี่ยนชื่อกับเขาบ้างปะ่ปงปะ เปลี่ยนนานแล้วค่ะตั้งแต่สาวๆบางคนเปลี่ยนบ่อยจนหลวงพ่อตามไม่ทั น, นเดกเลียนถามหลวงพ่อว่าปฏิกิริยาที่ที่รู้เกิดขึ้นเองชัดเจนเนี่ยที่เพื่งผ่านมามันเกิดในสมาธิเนี่ยแล้วเวลาเราอยู่ในในขณะบึงตาเนี่ยสามารถจะรู้ได้เหมือนตอนที่เราเห็นในสมาธิไหมคะได้ได้ สามารถได้ชัดเจนแบบนั้นเลยหรือเปล่าคือสภาวะแห่งความตื่นรู้สึกขึ้นมานะแต่ว่าตรงสมาธิมันจะชัดกว่าความเป็นจริงนิดนึง mm hmm. เพราะมันปิดทวานอื่นไปหมดเหลือแต่มโนทวานนั่นเดียว <Okay. S 2> เพราะงั้นเวลารู้เวลาเห็นอะไรในสมาธิเนี่ยจะคมจะชัด mm hmm. อยู่ข้างนอกก็รู้ได้แต่รู้ได้พอดีพอดีจะไม่ค ม, มอย่างนั้น <Okay. S 2> ไม่แปลกอะไร แล้วมันมันสามารถรู้ชัดแล้วก็ตั้งมั่นคลายพอคลายเสร็จรู้โกรธร้เกิด้ย่้ทั้งคืนได้ได้ทําได้นะถ้าสติมันเกิดนะมันเกิดเองมันเกิดเองค่ะมันทําได้ตรงที่อยู่ในสมาธิเนี่ยมันมันชัดเพราะว่ามันไม่ได้ไม่มีการกระทบอารมณ์หยับหยับกระทบแต่ความรู้สึกทางใจอันเดียวทําได้ทําได้ให้ฝึกไปแล้ว แล้วตรงที่ที่อะไรอย่างอื่นที่ประกอบมาก็คงเป็นอาการกิริยาของจิตที่หลวงพ่อบอกไม่ใส่ใจใส่ใจแต่ตรงที่ที่คลายแล้วรู้เกิดอยู่แค่รู้แค่นั้นก็พอละในความเป็นจริงของการปฏิบัติเนี่ยรู้สภาวธรรมเพียงคู่เดียวก็พอละคู่เดียวก็พอนะในทางทางใจเนี่ยเช่นรู้ว่าจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะคู่เดียวก็พอ รู้จิตมีโทสะกับไม่มีโทสะนะคู่เดียวก็พอรู้จิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกตัวมีโมหะไม่มีโมหะคู่เดียวก็พอรู้ความที่มันหนักขึ้นมากับมันจางคลายลงไปแค่เดียวอันนี้แค่เดียวอันเดียวกพอพอคู่เดียวนะแล้วแล้วทำไมทาไมในขณะที่เรารู้ชัดเจนขนาดนั้นทำไมถึงถึงมีตัวตัวปฏิกริยาของจิตที่แรงประกอบลงไปด้วยอะค่ะ อ, อ๋อจิตเขาจะสอนธรรมะเรานะ อย่าไปคาดหวังว่าเมื่อจิตไปรู้อารมณ์แล้วจะไม่เกิดปฏิกิริยาให้รู้ไปอย่างที่เขาเป็นอย่าไปคาดหวังว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้คําว่าน่าจะเนี่ยกว้างทิ้งไปเลยสิ่งเหล่านี้หลอกหลอนเราเกินไปนี่ปรั ส, สนาไม่มีคําว่าน่าจะมีแต่คําว่าที่เป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรเพราะงั้นเมื่อจิตกระทบอารมณ์แล้วกระเทือนขึ้นมานี้เป็นเรื่องธรรมดาให้รู้ไปอย่างนั้นแหละเห็นไหม เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้จงใจเราไม่ได้จงใจแล้วก็ห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเพ่งไว้ก็ห้ามได้เพราะงะั้นการเพ่งเนี่ยเป็นศัตรูของวิปัสสนาอีกตัวหนึ่งการบังคับไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ไปเพ่งแล้วเราไม่เผลอเราจะเห็นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปนะจิตไปรู้เข้าเกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดเลย ในขณะที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยการที่เราไม่สามารถสรุปลงไปที่ไตร ล, ล, ลักษณ์ได้เพราะว่าปัญญามันไม่พอมันไม่พ อ, อนะไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นปัญญารวบยอดที่เกิดขึ้นช่วขณะซะนะพอช่วขณะก็ตัดเลยทั้งๆที่เห็นว่ามันมันชัดมันคลายมันชัดมันคลายั น, ย, นยังไม่พอนะถามว่าลึกๆรู้สึกไหมว่าอยากตัดเราอยากตัดนะเพราะอะไรเพราะยังมีตัวเราอยู่เห็นไหม งั้นไอ้ที่ดูเกิดดับเกิดดับยังไม่พอตัวเรายังอยู่เลยตัวที่ขาดคืออะไรคะฮะคือรูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปแต่ว่าตัวที่ยังไม่พอคือปัญญายังไม่พอต้องดูไปอีกดูไปนานๆดูซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตใจของเราเนี่ยจะดือ้อดื้อรั้นที่สุดอยากจะเอาสุขอยากจะเอาดีอยากจะเอาสงบคิดอยู่แต่เรื่องพวกนี้ ลึกๆนะต้องการแต่ความสุขที่ต้องการความสุขเราคิดว่าจิตเป็นเราไปยึดว่าจิตเป็นเราอยู่งั้นจะดิ้นรนที่อุตสาหทำกรรมฐานแทบเป็นแทบตายก็เพราะว่าเห็นว่าจิตเป็นเรานั่นแหละถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะไปนั่งทํากรรมฐานทําไมนี่พอทํากรรมฐานพอสภาวะอะไรเกิดแล้วก็บอกรู้สึกเออเราก็เห็นเกิดดับแล้วนะทําไมไม่ตัดสติเห็นไหมยังไม่กระเทือนถึงรากถึงเงามันเลยยังอยากตัดอยู่นะเพราะว่ามีเราอยู่ เนี่ยปัญญามันยังไม่แทงทะลุกับเข้ามาข้างในแต่อย่าไปจงใจนะมีหน้าที่สะสมไปสะสมเชิงปริมาณไปด้วยในวันหนึ่งก็เปลี่ยนคุณภาพเวลาเปลี่ยนคุณภาพจะเปลี่ยนฉับพลันชั่วขณะเดียวจะสะสมเชิงปริมาณนะสะสมกัน 7, 000, 7, เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่สะสมไปเจ็ดปียังไม่ได้ทำสิบหกปีสิบหกปีไม่ได้ทำเจ็ดชาตินทําไปเรื่อยๆ ทราบแล้วยังว่าทําไมมันไม่ตัดเพราะว่าตัวเราอะเรารอลุ้นให้มันตัดเพื่อเราจะได้สบายไหมปฏิบัติแล้วกิเลส ย, ยังหนังไม่ะลอกเลยนะเอต้องรู้อีกต้องเรียนรู้เยอะเยอะนะอย่าทอถอยทางนี้เป็นเส้นทางของนักต่อสู้อาคุณวิชาครับมันหลงไปทั้งวันครับหลวงพ่อจิตมันลายมากคฮะมันแย่งเวลาอ่อนแอไปหมด รู้ได้นิดๆทีละขณะสองขณะแล้วก็หลงทั้งวันครับส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากุศลเกิดน้อยกุศลเกิดมากเะฉะนั้นจิตใจของคนเราส่วนใหญ่พอาตายไปจะไปอบายคนส่วนมากนะตายแล้วไปอบายที่ไปแล้วมาสู่สุคติภูมิมีน้อยแล้วจิตส่วนใหญ่เป็นอกุศลจิตแต่การที่คุณวิชาเห็นว่ามีกุศลแทรกขึ้นมาเป็นระยะระยะ แต่นี้มีผลมากมีอา น, นิสงส์มากมันไม่ใช่ว่าอิเลตกับกุศลต้องมีสัสดส่วนเท่าๆกันถึงจะชนะกันกุศลมันมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากกุศลที่เจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยเผลอมาถียิบเลยรู้สึกขึ้นแว บ, บหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งก็ทํำลายล้างอากุศลได้ไม่จําเป็นว่าเผลอเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วต้องรู้สึกตัวอยู่นานเท่านี้เปอร์เซ็นต์ หรือห้าชั่วโมงต้องรู้สึกตัวห้าชั่วโมงแล้วสู้กันได้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคุณภาพหรืออานิสงส์ของกุศลแหละกุศลเนี่ยไม่เท่ากันกุศลที่ประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยนะอานิสงส์มากกุศลที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญามีอานิสงส์น้อยอย่างทําบุญใส่บาตรอะไรเงี้ยจิตใจปริ่มปื้มไปเดี๋ยวก็กลับบ้านไปโมโหโทโสอะไรเงี้ยดังั้นกุศลระดับนั้น สู้กิเลนไม่ไหวแต่กุศลจากการเจริญสติมีสติขึ้นมามีปัญญารู้ลักษณะว่าสิ่งทั้งหลายเกิดและดับนี่อันนี้ส่งเยอะอาจจะเกิดแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่ทำลายอากุศล99เปอร์เซนได้ทีนี้พอพอดูเหมือนว่าจะรู้จะรู้ขึ้นมาได้บ้างเนี่ยมันก็จะมีหลงแบบเหมือนรู้เนี่ย<อ>แบบ ม, มันจงใจนะมันจงใจจะรู้ เวลาที่จิตมันจําสภาวะรู้ได้แล้วนะมันไปก็อปปี้สภาวะขึ้นมามันไม่ทําต้นทางคือมันไม่ดูสภาวะอยู่ๆมันก็ไปทํารู้ขึ้นมาเฉยๆย่างนั้นใจจะทื่อๆรู้อย่างนั้นไม่ช่มชื่นนะรู้อย่างนั้นใจจะแข็งๆทื่อๆซึมๆอะไรนะลมหายใจมันจะขัดขัดขึ้นมาม้ อ, อ่ามันอึดอัดนะเพรามันของปลอมเนี่ยจิตน่าร้ายที่สุดเลยจิตไม่ใช่ร้ายที่สุดแต่จิตมันโง่ที่สุดอน่ะ อย่างเวลาเราไปรู้ไปเห็นสภาวะหนึ่งนะแล้วเราดูดูไปอีกแล้วหลุดออกไปนะเราจะจํำไหมอ๋อเราดูวันนี้ด้วยวิธีนี้แล้วหลุดออกมาได้วันหลังพอสภาวะนั้นเกิดนะจะรีบทําแบบเก่าแล้วมันไม่หายมันไม่หายครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่ากิเลสมันมีพัฒนาการตลอดเวลาเคยดูแบบนี้หายวันหลังดูแล้วไม่หายที่จริงมันไม่ใช่อะไรเราไม่ฉลาด กิเลสมันไม่ได้เก่งกาจกว่าเรานักหนาหรอกแต่เรามันโงุ ก, กว่ากิเลสต่างหากละ่ะพอสภาวะสมมุตินะสมมุติว่าจิตมีราคาขึ้นมาเคยพิจารณาสุภาษัยแล้วพอมีราคาปุ๊บจะพิจารณาสุภาละ่ะหรือเวลาเราเคยดูกิเลสนะเราดูไปดูมาแล้วมันเกิดเข้าแง่เข้ามุมมันเข้าช่องนี้หรอกดับปั๊บเราจําไว้ละพออีกวันหนึ่งพอกิเลสเกิดนั้นเราจะจ้องมาใส่จุดเนี้ยตรงเนี้กิเลสพาให้จ้องเลย หลงคนมันละทางที่ดีถ้าทำสุขหลักก็คือรู้ไปตามความเป็นจริงทาต้นทางคือการรู้สภาวะไปนะแล้วมันจะไปพลิกเข้าแง่มุมไหนแล้วดับลงไปนะเรื่องของมันนะอย่าไปจำว่าต้องเข้าแง่มุมนี้แล้วดับวันหลังจะเข้าจงใจจะเข้าตัวนี้สติไม่เกิดละดูเหมือนสติเหมือนเหมือนพอเหมือนเหมือนแต่ไม่ใช่คี่เล็กเลยเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาถ้าอย่างนั้น ตัวตัวที่เวลาเราเร า, เารู้ถูกเนี่ยรู้ถูกเหมือนเหมือนกับว่ามันมันถูกต้องเนี่ยมันมันมีตัวปิติแวบๆบแบบเข้ามาทุกครั้งเลยเหมือนกันยังไงบ้างบางครั้งนะถึงรู้ถูกต้องมันไม่ใช่ปิติตอนนั้นตอนนั้นมันมีสมอนัตเมทนาเกิดขึ้นจิตไม่มีสมอนัตเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันเป็นมหากุศ ล, ลจิตจิตเกิดกุศลขึ้นมา เวลาที่สติตัวจริงเกิดนะจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมีสมนมัตบ้างมีอุเบกขาบ้างเพราะงั้นจะโชยแผ่วๆขึ้นมาได้ได <c ười> คือรู้สึกว่าที่ดูดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าถ้าตรงไหนที่มันไม่ชัดหรือว่ามันไม่ไม่เข้าทางเนี่ยมันก็จะจะดูแล้วผ่านไปแต่ตรงไหน พ, พอรู้สึกมันลงแล้วเข้าทางมันก็จะมีตัวนี้แว บ, บขึ้นมาแผ่วๆแผ่วๆอ่ามันจะแผ่วๆนะนั่นแหละสติจริงๆเกิดตรงนั้นแหละตรงที่คอยจ้องคอยดูอยู่นั้นยังไม่ใช่ของจริงหรอก แล้ว เ, เ, เอาตัวนี้เป็นตัวตัวบอกได้ไหมคะหรือว่าเราจะเไ็นตัวเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดไม่ได้เพราะว่าจิตที่เป็นกุศลเนี่ยบางครั้งก็เป็นอุเบกขาบางครั้งมีอุเบกขาเวทนาบางครั้งมีสมนัสเวทนาวันนี้วันนี้ไม่ชี้ภาคนามาอีกหกคนเจ้าคะ่ะนะนั่งอยู่ข้างหน้านะคะภ า, า, าขนะมามลูกศิษย์วัดอินเหรอ เรื่องปฏิบัติธรรมจบค่ะออก็อยากอยามากราบหลวงพ่อกันก็เลยพามาด้วยอะค่ะรุ่นนี้ไม่ฉีสอนเก่งนะรุ่นนี้ไม่ติดซึมส่วนมากไปเข้าคอร์สรบบปร อ, อมาจะซึมซึมเลบางทีพุดีหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เออเป็นธรรมชาติอะคะ่ะคือ ดูกายดูใจโดยเฉพาะอืมดีนะเออักสูตรอย่างนี้ทำบ่อยๆแล้วก็ได้เรียนเชิญอาจารย์สุรวัตรไปบรรยายทำให้ครั้งหนึ่งคป้าปราก็ช่วยแนะนำอีกส่วนหนึ่งนะเจ้าค่ะดีนะฝึกลูกศิษย์มาจนใกล้จะตื่นเต็มทีละนะดีแล้วแม่ชีโบทนานะฝึกลูกศิษย์ได้อย่างนี้จิตมีปีติทราบไหมเบอร์สีอ่ะ มีปีติรู้ว่ามีปีตินะดูซิปีติเชียงไม่เที่ยงดูไปอย่างนี้นะเออย่าไปฝืนแต่ว่าตามรู้ตามดูไม่คล้อยตามมันไม่ต่อต้านมันดูลงไปเรื่อยจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติดูไปเบอร์หกจิตใจกังวลทราบไหม <c oughs> นี่ไงชักไปห่วงเพื่อนแล้วะใจมันกังวลขึ้นมาไปรู้นะ เมื่อกี้หันไปดูเขาลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมหันไปดูเข้าใจดีแวบไปที่เขาเลยค่อยๆรู้สึกบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมเริ่มบังคับตัวเองแล้วเบอร์หกแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจถลำไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วในขณะที่เราไปคิดนะเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เรารู้แต่เรื่องที่คิด เมื่อไหร่เราไม่ได้รู้กายเมื่อไหรไม่ได้รู้ใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสัมมาสติพุทธะย่อว่าขาดสติแต่จะมีสติอย่างโลกโลกจะขาดสัมมาสติขณะนี้รู้สึกไหมฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดตามไปแล้วลืมตัวเองเราลืมกายเราลืมใจตัวเองเรารู้แต่เรื่องที่คิดคนส่วนใหญ่จะรู้แต่เรื่องที่คิดธรรมดาของจิต เป็นกฎนะเป็นกฎเลยธรรมดาของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้อารมณ์ปัญญัติคือเรื่องราวที่คิดแล้วเนี่ยมันจะรู้อารมณ์อย่างอื่นไม่ได้รู้อารมณ์ปรมั m a t รู้กายรู้ใจไม่ได้สังเกตไหมขณะที่เราคิดขณะที่เรารู้เรื่องที่เราคิดอยู่นะจดจ่อกับการคิดเนี่ยเรามีกายเหมือนไม่มีมีใจเหมือนไม่มีมันจะลืมกายลืมใจตัวเองกายกับใจเหมือนหายไปจากโลกเหลือแต่เรื่องราวที่คิดนะ เียรู้สึกไหมลืมไปแล้วนั่งอยู่ก็ไม่รู้ใช่ใจมันหนีไปนหนีไปคิดใหญ่คิดค้นคว้าใหญ่ใช่ไหมเบอร์หกหันไปดูเขารู้สึกไหมจะลืมตัวเราเองอย่าตกใจนะอย่าท้อใจไม่ได้ยากอย่างที่คิดออกใหม่ๆเรายังไม่คุ้นเคยกับสภาวะมันก็ยังไม่ตื่นเต็มที่ขึ้นมา ค่อยๆฟังใจเย็นๆฟังหลวงพ่อนะเขาฟังกันสองสามครั้งถึงจะรู้เรื่องะคนที่ฟังครั้งเดียวรู้เรื่องไม่ค่อยมีหรอกมีเหมือนกันนะเคยมีคนหนึ่งฟังประโยคเดียวรู้เรื่องมาจากอเมริกานะมาจากอเมริกามาถึงแกก็เดินต่อแตะต่แตะขาแกไม่ดีนะผู้ชายนุ่งกางเกงขาสั้นม า, าพวกเอาเก้าอี้มาตั้งไว้กลางห้องจะเดินต่แตะเข้ามามาถึงยังไม่ทันนั่งเก้าอี้นะยกมือไหว ยกมือไหว้สมาธิหนึง่งชี้หน้าตัวเองผมอ่านวิมุตติปฏิปทาของท่านทางอินเทอร์เน็ตที่ผมทําอยู่นี่ถูกหรือยังยังไม่ถูกหรอกเพราะยังทําอยู่ตอบแค่นี้นะอ๋อเข้าใจล้วนั่งเก้าอี้คราวนี้สบายใจเลยที่ไม่ถูกเพราะยังทําอยู่ถ้ายังทําอยู่ก็ไม่ใช่รู้อยู่สิ เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการต้องทําอะไรที่เหนือธรรมดาร์เกินธรรมดาส่วนใหญ่สิ่งที่ทําก็คือการบังคับกายบังคับใจตัวเองรู้สึกไหมเวลาเราคิดเรื่องปฏิบัตินะเราจะควบคุมตัวเองควบคุมกายควบคุมใจกายกับใจก็จะนิ่งทื่อๆไปเราก็เรียกว่าปฏิบัติความจริงแล้วมันคือความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเรียกว่าปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอัตตะกิลมัฏฐานโยก เคยได้ยินไหมคำ ว, ว่าอัตตากริมาานุโยกไม่เคยอ่านธรรมจักรกัปวัตตนสูตรเลยเหรอเทศนาการแรกนะเพิ่งจะเทศเมื่อรรวันอาสาฬหานีต้องผ่านมาวันสองวันธรรมจักรเนี่ยพระเจ้าเทศเป็นปฐมเทศนาเทศให้พระปัญจวัคคีฟังบอกเริ่มต้นท่านไม่ได้บอกว่าการปฏิบัติที่ถูกให้ทำยังไงท่านบอกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสอประการนะความสุดโต่งสองประการที่บรรพชิตหรือผู้ปฏิบัติไม่ควรเสพมีสองอย่างอันหนึ่งการสุขขันรืการนุโยกการที่เราปล่อยตัวปล่อยใจไหลตามกิเลสไปแล้วจะหลงตามกิเลสไปนะใจเราหลงทั้งวันนะเช่นเดี๋ยวก็อยากดูวิ่งไปดูนี่ก็เรียวกว่าการสุขขันรืการนุโยกนะคิดว่าจะเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินทางตาแล้วจะมีความสุข บางคนก็อยากไปฟังไปฟังเพลงเพราะเพราะแล้วจะมีความสุขนี่เป็นวิธีหาความสุขวิธีหนีความทุกข์อย่างชาวโลกเรียกกรมสุขาริการุโยกเผลอไปใจลอยไปนั่งคิดไปแล้วก็เผลอเอเพลิเลเลนเพินไปเนี่ยตอบสนองกิเลสก็เรียกการมสุขาริการุโยคอันที่สองเรื่องอัตตาขินมัฒานุโยค ก, การบังคับตัวเองทําตัวเองให้ลํำบาก อัถกถาท่านอธิบายว่ามันคือความปรุงแต่งฝ่ายกุศลพวกเราพวกที่ชอบเข้าวัดเนี่ยจะชอบปรุงกุศลทันทีที่เราคิดเรื่องการปฏิบัติธรรมเราจะเริ่มทําวางฟอร์มรู้สึกไหมเวลาเราจะเดินจงกรมพอถึงจะเดินจงกรมเลยต้องวางฟอร์มก่อนนั้นบังคับก่อนบังคับกายบังคับใจนะคิดว่าบังคับได้ดีแล้วจะบรรลุธรรมคนละเรื่องเลยนะมันคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามด้วยซ้ําไป คือการทำอัตตกิลมัฏฐานุโยกส่วนการรู้เป็นอีกอย่างหนึ่งการรู้เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ฝึกบังคับให้รู้นะสภาวะแห่งการรู้เกิดจากจิตเรามีสติจิตเกิดสติได้เพราะอะไรสติต้องรู้จักก่อนว่าสติคือความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดนะรุ่นหลังชอบไปแปลสติว่ากำหนดจริงๆสติคือความระลึกได้ มันจ ะ, ะระลึกได้ถ้ามันเคยรู้จักนั่นในธรรมพีอภิธรรมเนี่ยจะสอนสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะในขณะที่ใจของเราเลื่อนลอยทั้งวันรู้สึกไหมใจเราเลื่อนลอยทั้งวันนั่นคือขาดสตินั่นเองอะไรทำให้ใจไม่เลื่อนลอยท่านสอนบอกว่าการที่จิตจดจำสภาวธรรมได้แม่นยำนี่แหละทำให้เกิดสติขึ้นมา และหน้าท <ss> ี kind of ่ของเราหาดู right. ้จักสภาวะธรรมนะเช่นมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยจริงๆไม่ได้เรียนอะไรเยอะหรอกเรียนเรื่องสภาวะธรรมะหลวงพ่อจะคอยสอนจนพวกเรารู้จักเลยจิตเผลอไปคิดเป็นยังไงเรารู้จักจิตเข้าไปเพ่งเป็นยังไงเรารู้จักนะจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดโลภโกรธหลงเป็นยังไงเรารู้จักเนี่ยพอมันโลภโกรธหลงขึ้นมานะหรือมันสุขทุกข์ขึ้นมาหรือมันเผลอไปคิดเผลอไปเพ่งขึ้นมาเนี่ยเราเคยรู้จักสภาวะไปแล้วสติจะเกิดขึ้นเอง เช่นพอใจลอยแวบไปสติจ ะ, ะระลึกได้ว่าใจลอยละแล้วสติเป็นตัวะระลึกนะสติเป็นตัวะระลึกได้สัมปชัญญะเป็นตัวรู้สึกรู้สึกตัวสัมปชัญญะเป็นเรื่องของตัวปัญญาใครรู้สึกไหมว่าจิตไหวมาได้ยินเสียงระฆังรู้สึกไหมจิตไหวแวบเ น, นี่ยหัดรู้สึกไปพอเสียงกระทบหูจิตก็ทํางานไหวขึ้นมานะ เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเป็นความตกใจเป็นความดีใจเป็นความเสียใจเป็นความโลภโกรดหลงจิตพอกระทบอารมณ์แล้วก็จะเกิดความรู้สึกนานาชนิดขึ้นมาเราค่อยรู้ไปบ่อยๆแต่อย่านั่งจ้องเอาไว้ห้ามจ้องนะนานารู้ทีหนึ่งก็ยังดีกว่านั่งจ้องไว้นั่งจ้องไว้ก็จะเป็นการ ท, ทําสมถะอีกแหละฟังหลวงพ่อพูดไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกใจนะไม่มีใครฟังหลวงพ่อรู้เรื่องหลับหลวงพ่อบอกตั้งแต่แรกแล้ว ต้องฟังสองหนสามหนถึงจะค่อยรู้เรื่องงั้นเอาซีดีไปฟังด้วยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็อย่าฟังเปล่าๆอย่าฟังไปคิดไปอย่าฟังแล้วหาเหตุหาผลนะจะไม่เข้าใจหรอกวิธีที่จะฟังซีดีหลวงพ่อนี่เป็นเคล็ดลับในการฟังซีดีของหลวงพ่อคือฟังแล้วก็หัดสังเกตใจตัวเองไปด้วยนั่งฟังไปสักพักหนึ่งใจจะเผลอไปละหลงไปคิดตามอ๋อหลงไปคิดละหัดรู้จัก นั่งฟังไปช่วงหนึ่งหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ขำๆนะเจตนาให้เราขำเราขำขึ้นมาเนะี่ยเราจะเห็นเลใจเป็นขำขึ้นมาฟังแล้วใจเป็นขำขึ้นมาก็รู้บางตอนพอฟังไปฟังไปมีแต่เนื้อหาธรรมะล้วนๆฟังแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อบางทีฟังแล้วงงๆสงสัยรู้ว่างงรู้ว่าสงสัยนะฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็คอยดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่อย่าไปจ้องไว้นะ ถ้าไปจ้องไว้ความรู้สึกจะไม่เปลี่ยนได้แต่จ้องฟังไปเล่นๆฟังเล่นๆแล้วความรู้สึกมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้สึกไหมปีติหายไปแล้วหเห็นไหมปีติไม่เที่ยงปีติสอนธรรมะเราแล้วเราต้องเห็นสภาวธรรมนะแล้วสภาวธรรมสอนธรรมะเราหลวงพ่อสอนธรรมะพวกเราไม่ได้ไม่มีใครสอนธรรมะใครได้ะกายกับใจของเราถึงจะสอนธรรมะพวกเราได้เขาตัวเองแหละสอนตัวเอง เมื่อกี้นี้ทำอะไรเมื่อกี้นี้รู้สึกไหมเมื่อกี้นี้ถล่มเข้าไปคิดล้ะหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดเนี่ยเรียกว่ามีสตินะง่ายแค่นี้เองง่ายจะตายไปเนี่ยใจลอยไปแล้วเห็นไหมลอยแวบบแวบวบแบบดูออกไหมมันหนีไปเฉยเฉยอ่ะนี่หัดอย่างนี้หัดดูสภาวะนะพอเราดูสภาวะเป็นแล้วสภาวะจะสอนธรรมะเราคือจะสอนถึงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป นี่แต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นจัดของจริงไม่ใช่คิดเอาไม่ได้กําหนดแต่เห็นจัดของจริงๆเนี่ยแอบไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยใจหนีไปคิดเนี่ยพอรู้สึกรู้รู้ทันมาคิดรู้สึกไหมเหมือนมันตื่นขึ้นมาเนี่ยคือภาวะแห่งความรู้สึกตัวละภาวะแห่งความตื่นในโลกไม่มีคนตื่นนะต้องฟังธรรมะถึงจะตื่นขึ้นมายิ่งไปนั่งกําหนดกําหนดวังว่าจะให้ตื่นไม่ตื่นหรอกนะ อะ uh. เดี๋ยวเราพักก่อน